เมื่อก่อนเดือนหนึ่งรับสามงานสาลาลูชินซะหนึ่งเดีย๋ยวนี้เกินละบางเดือนนัห้าหงานเข้ากรุงเทพบ่อยๆกุงเทพไม่น่าเข้าคนไม่มีความสุขนะแต่พวกเราไปดูพวกที่ลงเรือพวกที่ลงเรือนะความรู้สึกก็จะต่างกับพวกที่นั่งรถ พวกลงเรือนะตาจะใส่สรีแลกซ์สบายกว่าพวกนั่งรถผ่อนคลายกว่าตาจะใสใสแบบหลงๆนละสบายถ้าตกน้ำาจไปไปไหนโอ้จะเป็นอะไรส่วนพวกขับรถพวกนี้จะไปไหน <c oughs> ไปดีไหมคงไม่ดีทั้งทีงพวกเราฝึกสติให้มากนะรู้สึกตัวฝึกใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกมีสมาธิแ้วเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันไปร่างกายเป็นรูปธปรรมนะร่างกายเคลื่อนไหวนมามธรรมคือใจเป็นคนรู้ รูปเคลื่อนไหวนา้นามเป็นคนรู้พูดภาษาไทยก็คือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นั่งพัดอยู่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนเห็นใจเป็นคนรู้ร่างกายที่กําลังพัดพัดแล้วรู้สึกสบายใจมันเย็นรู้เข้ามาถึงใจพัดที่กายแต่ใจเย็นเออเก่งนีน่พัดเก่ง เป็นไหมพัดที่กายนะนมาเย็นที่ใจสบายใจมีความสุขเพลินเหมือนพวกลงเรือ <c oughs> ส่วนพวกไม่มีพัดก็เันพวกขับรถพยายามรู้สึกตัวให้มากนะสำคัญที่สุดเลยมีสติอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกมีสมาธิใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าลืมนืลืมตัวลืมนืลืมตัวได้าขาดสมาธิร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกมีสติถ้า ถ, ถ้าเราไม่มีสมาธิหนุนหลังใจมันจะไหลไปข้างนอกบางทีไปคิดเรื่องดีๆก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันเรียกแบบเอาใจในตําราก็ถือว่าจิตที่เป็นกุศลทุกดวงเนะี่ยต้องมีสติสติมันมีหลายระดับอยากทําบุญอยากไสรบาต อยากช่วยคนน้อยคนนี้อะไร่าเง้าอนุโลมว่ามีสติเหมือนกันจิตเป็นกุศลแต่ในสายตาของพวกเราผู้ปฏิบัตินะถ้าเมื่อไรรู้กายรู้ใจได้ก็เรียกมีสติเมื่อไรลืมกายลืมใจเราก็เรียกขาดสติวันๆในโลกมีแต่คนขาดสติแระทั้งคนดีก็ขาดสติในความหมายของนักปฏิบัติไม่รู้กายไม่รู้ใจ สติ ร, รู้กายรู้ใจเรียกสติปัฏฐานเนาะ mm hmm. คอยรู้กายคอยรู้ใจไปด้วยเป็นสติที่ใช้เดินปัญญาเดินพิปัสนาปัญญาเงี mm ้ hmm. ยปล่อยใจหนีไปลืมกายลืมใจทุกวันแป๊บเดียวก็หมดวันหนึ่งละแป๊บเดียวก็หมดเดือนหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งนี่เข้ามาครึ่งปีแล้วใครยังรู้สึกไหมเพิ่งฉลองปีใหม่ไม่นานใครรู้สึกอย่างนี้บ้างพวกแก ถ้าเด็กรู้สึกนานลล้วเด็กโอ้ยลืมไปแล้วอยากฉลองใหม่ละละครับแก่หน่อยก็โอเพิ่งแป๊บเดียวเข้ามาครึ่งปีอีกแล้วโลกนะ่ะเคลื่อนไหวไปได้ไม่มีอะไรคงที่เราบังคับอะไรก็ไม่ได้ใจเราเราก็บังคับไม่ได้เราเรียนรู้มันไปรู้อย่างที่มันเป็นเมื่ออาทิตย์กนะ่อนมันมี หมอคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังน่าฟังมากเนะี่ยเขาภาวนานะเขาเห็นปรากฏการถามว่าเห็นอะไรเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามาทำนะเคลื่อนไหวไปมีการรู้แต่ไม่มีคนรู้นี่น่าฟังไหมมีการรู้อยู่แต่ไม่มีคนรู้ไม่เห็นเลยว่าตัวรู้มันอยู่ที่ไหนผู้รู้มันอยู่ที่ไหนแต่มีการรู้อยู่แต่ไม่มีตัวเราที่เป็นคนรู้ เขาเห็นถึงขนาดนี้นะงั้นต่อไปมันจะมีตัวทุกข์แต่ไม่มีคนเป็นทุกข์อีกแหลนะถ้าฝึกไปเรื่อยความทุกข์มีอยู่อะไรเรียกว่าทุกข์ขันห้าเรียกว่าทุกข์กายใจนี่แหละเรียกว่าทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนเป็นทุกขนะ์ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นี่ภาวนาไปนะมันจะถอน ความปรุงแต่งตัวตนไปไม่ได้ปรุงขึ้นมามีแต่ไม่มีมีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ล้ำลึกใครแต่งหรือไมยหลวงปู่ ม, มั่ น, นอ่านใครเคยอ่านเล่มนี้ขันทวิมุติสมังคีสุดยอดเลยหลวงพ่ออ่านแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่านมาตั้งแต่ก่อนบวชนะ อ่านมาตั้ง20ปีก่อนตื่นเต้นมากเลยไม่รู้เรื่องอะไรท่านพูดเรื่องอะไรไม่รู้เลยนะไม่รู้ต้องมาพาวนานะนี่รู้โอ้โท่านพูดพูดซื่อๆพูดตรงๆไม่ได้เป็นปริศนาธรรมสักหน่อยพวกเราเวลาฟังครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องนะเราชอบบอกว่าครูบาอาจารย์พูดปริศนาธรรมเคยได้ยินหมปริศนาธรรมของหลวงปู <quy Years helpful> ่ดูลเราไม่เคยเห็นหลวงปู่ดูลเป็นตัวปริศนาเลย ไม่มีหรอกพูดซื่ อ, อจีตส่งออกนอกเป็นสมูทัยก็เป็นจริงๆจิตเทนจิต ย, ยางแจ่มแจ้งเป็นมังก็เป็นจริงๆไม่เห็นว่ามันจะเป็นเป็นปริศนาไม่มีไม่มีมีมีไม่ ม, ม, ม, ม, ม, มีมีสองอย่างนะไม่มีมีมีไม่มีมมม อ, อย่างแต่เดิมมีขัน มีขันนะไม่มีธรรมะพอมีธรรมะอระเรียนรู้ขันวางขันไปมีธรรมะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่มีขันแต่ว่ามีมีอะไรมีนิพพานไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเวลาพวกเราคิดถึงขันนะเรามีร่างกายมีจิตใจอยู่เราคิดว่าภาวนาไปสิ้นขันแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีแต่มีนะ มีอะไรมีความไม่มีความไม่มีอะไรความไม่มีขันไม่ใช่ปริศนาอะไรนะท่านสอนโอ้สอนตรงๆน่าฟังต้องภาวนานี่หลวงพ่อก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนมาสืบทอดมาทํามาสนุกมากมันใครมันบ้างหรือใครหมกมุ่นตอนนี้ไม่ใช่มันแล้ชักหมกมุ่นอ่ะ <laughs> แต่นนี้ขึ้นจากเรือมาขับรถกันใหญ่การภาวนาไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะหลวงปูดุลสอนอย่างนี้นะการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติให้อ่านใจตนเองให้อ่านไม่ใช่ให้บังคับให้อ่านไม่ใช่ให้ดัดแปลงไม่ไม่ได้ควบคุม เรามีหนังสือสักเล่มหนึ่งนะสมมติอ่านนิยายตอนนี้นิยายอะไรดังที่สุดเรื่องตอนนี้มีไม้ยเรื่องอะไระใครมาพูดถึงเลยุ่งเลยยะอะไรหลกงพออ่อเออไม่ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเราไม่เคยดูไม่เคยอ่านเราสมว่ามีนิทานเรื่องเนี่ยเราเป็นคนอ่านนะเราไม่ใช่คนแต่งนิทานมันดีก็ดีไปมันร้ายก็ร้ายไปเราก็เป็นคนดูเฉย การดูจิตดูใจก็เหมือนกันเราทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้ประพันธ์ไม่ใช่ไปคอยบงการมันว่าต้องดีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้งั้นในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจมีราคะนี่ถึงบทรักแนละ้มีราคะรู้ว่ามีราคะถึงบทกโกรธแลนะจิตใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะถึงบทสนุกสนานหลงระเริงโลก มีโมหะปนกราคะเราก็รู้ทันใจเราเป็นยังไงเรารู้ไปอย่างนั้นร่างกายเราเป็นยังไงรู้ไปงั้นร่างกายหายใจออกก็รู้รู้สึกร่างกายใจใหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกกุศนะลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึก จิตใจเป็นผู้รู้ก็รู้สึกจิตใจเป็นผู้หลงไปคิดก็รู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกเอาลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปคิดก็รู้รู้อยู่ก็รู้ไม่หลงก็รู้ว่ารู้ไม่ต้องไปบังคับไม่ใช่ว่าต้องรู้ตลอดเวลาห้ามหลงห้ามไม่ได้เราจะเรียนจนกระทั่งจิตใจเรายอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องการให้เห็นความจริงเหล่านี้เนี้ยเราไม่ต้องดัดแปลงเนีย่ยนั่งสมาธิอยู่แล้วมันปวดขาลนะไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะแต่เรานั่งเพื่อให้เห็นเลยนะนั่งไปนะความปวดมันจะเกิดนะห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มม ไ, ม ไ, ดไม่มีอะไรบังคับมันได้เลยสักอย่างเดียวใจมันโกรธก็ไม่ใช่ฝึกเพื่อมาให้มันโกรธมันโกรธก็รู้ว่าตอนนี้เมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธ เมื่อกี้ไม่มีความกโกรธเดี๋ยวนี้มีถ้าแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีอันนี้แหละคือคำว่าอานิจจังเดี๋ยวนี้มีแล้วก็หายไปเคยมีแล้วหายไปอย่างกโกรธอยู่แล้วมีสติขึ้นมาความกโกรธหายไปของเคยมีแล้วก็ไม่มีก็เรียกอนิจจังของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาเขาเรียกอนิจจังในคงที่เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วมันทนอยู่ไม่ได้ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแต่ว่าเหตุนั้นนะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเห็นมันเปลี่ยนตัวมันต้องเปลี่ยนไม่มีใครบังคับได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาพราเหตุมันเปลี่ยนมันถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าทุกขังนะแล้วการที่เราไม่สามารถบงการมันได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่ตัวนี้เรียกว่าอนัตตาเรียนเพื่อให้เห็น กายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับมันเฉะนั้นจิตมีความโกรธทำยังไงกร็รู้ว่ามีความโกรธรู้ว่ามีความโกรธนีรู้ด้วยสติต่อไปลึกซึ้งขึ้นรู้ด้วยปัญญาเห็นว่าความโกรธเองก็ตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์จิตที่ไปรู้ความโกรธก็ตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์นี่รู้ด้วยปัญญาร่างกายหายใจออกก็รู้ อันนี้รู้ด้วยอะไรสติหรือปัญญาร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้รู้ด้วยสตินีสตินะ่รู้ความรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความมีอยู่ของมันของสิ่งต่างๆถ้ารู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าตัวที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เร า, ไ ม, ไ, ม ไ, มเราไม่ใช่เขาเหมือนโพรงเหมือนถุงหนังใบหนึ่งก็ะเพื่อมเท่านี้เองเห็นเป็นถุงที่กับเพื่อมไม่มีคน เห็นว่าไม่มีคนนี่รู้ด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์รู้ด้วยสติเห็นสภาวะรู้ด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์จำไว้นะต้องแม่นงั้นเวลาที่บอกรู้ลูกเดียวรู้ลูกเดียวพูดมักง่ายนะหลวงพ่อสานละเอียดยิบเลยนะมีรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญาอีกนะถ้ารู้ด้วยสติเป็นอะไรเห็นสมถะจำไว้นะถ้ารู้ด้วยสติเฉยๆได้เป็นสมถะถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนา นะสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษานะเรียนไปไม่ยากถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะมักผลนิพพานไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ลูบคลาไปเรื่อยฟลุกเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกไม่มีคําว่าฟลุกในพระพุทธศาสนาสิ่งทั้งหลายต้องมีเหตุทั้งสิ้นคําว่าฟลุกไม่มีนะสังเกตไหมหลวงพ่อเทศมานานใครเคยได้ยินไหมหลวงพ่อพูดว่าบังเอิญมีไหม หลวงพ่อเคยพูดเรื่องบังเอิญไหมอาจจะพูดกับโยมชื่อบังเอิญบังเอิญเป็นอย่างนั้นโชคดีที่เป็นอย่างนี้มีไหมเคยได้ยินหลวงพ่อพูดไหมโชคดีที่เป็นอย่างนี้สวยแล้วโชคร้ายอะไรเงี้ยไม่มีสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุทั้งหมดเลยนะไม่มีบังเอิญหรอกไม่มีโชคดีโชคร้ายที่เกิดมาลอยลอยจะโชคดีก็มีได้ถ้าทําเหตุมาจะโชคร้ายก็มีได้ ถ้าทำเหตุมาแต่อยู่ๆไม่มีเหตุไม่มีโชคดีโชคร้ายทุกอย่างเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้นเลยอยู่ใต้กดของกรรมทั้งสิ้นเลยนั่นเราพยายามฝึกนะค่อยเรียนไปค่อยรู้ไปแล้วไม่ยากบางคนนะปลอบใจกันให้ภาคเพียนนะท่องหนังสือไปเรื่อยท่องปริญญาตนะว่า อ, อีกแสนแสนชาติก็บรรลุโถเอ้ยจะบรรลุได้ไงไม่ต้องแสนชาติหรอกสอบเสร็จก็ลืมแล้วสอบเสร็จก็ลืมตำลาแนละ้ว แต่ถ้าเห็นด้วยใจไม่ลืมอย่างพวกเราคนไหนเคยเห็นใจมันโกรธเคยเห็นไหมความโกรธพุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมนะจําทั้งชาติเลยชาติหน้ามันโกรธขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอีกจะเห็นอีกนี่จะเป็นอย่างนี้นะมันติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเราคอยรู้คอยดูเนืองๆไม่ต้องรออีกแสนแสนชาติหรอกเอามันชาตินี้แหละชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าชาติหน้าไม่ได้ก็ชาติต่อต่อไป อาจจะล้านชาติก็ได้ถ้ากิเลสมันหนามากไม่ยอมภาวนาเผื่อฟลุกเมื่อก่อนมีคนหนึ่งพยายามมาฟังหลวงพ่อเทศเผื่อจะมีวัคทองใครเคยจักวคทองบ้างเผื่อจะมีวัคทองฟังแล้วปิ้งบรรลุธรรมนี่ไม่เป็นไปตามเหตุผลเลยนะไม่มีเหตุมีผลเลยไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติเจริญปัญญา ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะเอาธรร ม, มาที่ไหนมางั้นต้องทานะฟังเราต้องทำคอยมีสติรู้ทันจิตตนเองไว้นะเพราะพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ปัญญานำสมาธิเราอย่าไปทำสมาธินำปัญญานะั้นแสนเขียนซะแล้วในยุคนี้สิ่งที่ยั่วให้ใจเรากระเพื่อมนั้นมีนับไม่ถ้วนสมัยโบราณไม่ค่อยมีนะวันๆอย่างหลวงพ่ออยู่ในวัดเนี่ยถ้าโยมไม่มาเนี่ย วันวนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่นกมานะกระเตนเอ้ยกร ะ, ะไรกระลอกกระแตอะไรเงี้ยามามีตะกวดมีงูมีอะไรเงี้ยนานๆงูเลื่อยมาสักตัวงอะไรเงี้ยนะเฉยๆวันนึงมีแต่เฉยๆอย่างเงี้ยนั่งสมาธิง่ายเลยขี้เกียจดูแล้วกระลอกกระแตนั่งสมาธิดีกว่าของเรามีของให้ดูเยอะแยะเลยรู้สึกไหมดูตั้งแต่เช้ายันค่ายังดูไม่หมดเลย จริงไหมลองไปดูอินเทอร์เนต็ตแล้วบ้าอินเทอร์เนต็ตสิดูตั้งแต่เช้ายันดึกยังไม่หมดเลยนะสิ่งที่ยั่วให้ใจกระเพื่อมนั้นเยอะเหลือเกินะงั้นจะหวังมานั่งสมาธิให้สงบง่ายๆนั้นยากงั้นอย่าเสียเวลานะเจริญสตริรู้ทันจิตใจตนเองเข้าไปเลยจิตตานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนซึ่งทำชาญไม่ไดนะ้กายานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่เหมาะ กับคนทำฌานไดนะ้งั้นอย่างพวกเราทำฌานไม่ได้ดูความเคลื่อนไหวของจิตไปไม่ใช่หลงพ่อพูดเองนะอันนี้อยู่ในอภิธรรมเลยนะไม่ไม่ได้พูดเองนะซออสที่หลวงพ่อใช้ในการเทศนะ์ถ้าไม่มาจากตำลานะก็มาจากครูบาอาจารย์แต่จริงๆเรียนมาจากครูบาอาจารย์แนละ้วมาหาตำลาเพื่ออ้างอิงนะก็คนยุคนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าไม่มีเ e รนนั้นมันไม่ยอม พวกที่อ้างเรสเฟนบ่อยๆภาวนาก็คิดถึงแต่อ้างอิงเรื่อยพวกนี้ไม่ได้ผล อ, อกขาดู ด, ดูเข้าไปเลยดซูซื่อไปเลยงั้นเรียนนะเรียนให้รู้ตอนนี้จิตพลิกไปเป็นสมถะคือมีสติรู้สภาวะอยู่ก็รู้ตอนนี้จิตมันเจริญปัญญาเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์ก็รู้ทันอีกจิตจะพลิกไปพลิกมารู้ทันแล้วดีตรงไหน ดีตรงที่จะไม่ติดมิปั ส, สนูภกิเลสถ้ารู้ไม่ทันนะตอนที่ทํามิปั ส, สนาอยู่เนี่ยจิตตกจากการเห็นไตรลักษณ์ไปแล้วนะสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอนะี่ยจิตจะเคลื่อนไปจับอะไรนิ่งๆอยู่ยังจับความว่างอยู่หรือเคลื่อนไปดูข้างหน้าสติถูกเร้าอย่างรุนแรงมองไปที่อากาศข้างหน้าจะเห็นอากาศเป็นเม็ดๆเลยนะถูกเร้าอย่างแรงนะนี่สติแรงไปก็เป็นมิปัสนูอย่างหนึ่ง สว่างว่างมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่มาเดือนหนึ่งก็มีความสุขล้วนๆอยู่อันนี้ก็วิปสัสสนู๋เนะยอะแยะเลยทางหลอกเราเกิดจากจิตเคลื่อนไปทั้งสิ้นเลยงั้นะจิตเคลื่อนไปต้องรู้ทันนะจิตถ้ตั้งเป็นคนดูแล้วก็ดูห่างๆพอจิตตั้งแล้วดูห่างๆเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเคลื่อนไปไหลไปรวมกับอารมณ์จะไม่เห็นไตรลักษณ์ได้แต่คิดเรื่องไตรลักษณนะ์งั้นจิตที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องตั้งมั่น ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปแล้วก็ทำเป็นว่ารู้ไตรลักษนณะ์วปรสสนูออกไปกินง่ายๆเลยฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมเอาต่อไปตรวจกันบ้านเทศนานแล้วหวังว่าคงส่งกันบ้านน้อยๆประเทศเยอะแล้วเอาคนอยู่วัดเชิญคุณจันก็ พอพระคุณหลวงพ่อสําหรับพระธรรมเทศนาช่วงเช้านะคะแล้วว่ามีคําถามอยากจะเรียนถามว่าความความฟุง้งซ่านในธรรมเนี่ยกับจิตที่คิดพิจรารณาธรรมเนี่ยความต่างอยู่ตรงไหนคต่างนะจิตที่คิดพิจารณาธรรมเนี่ยมีสมาธิรองรับอยู่แต่ฟุ้งซ่านในธรรมเนี่ยจิตไหลไปไม่มีสมาธิรองรับคิดเฉยๆเะั้นจิตต้องตั้งมั่นพอนะถึงจะพิจารณาได้เนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้ทําสมาธิแล้วค่อยออกพิจรารณา การพิจารณาเนี่ยมีหลายระดับอันนี้หลวงพ่อพูดสอนนะนี่อ้างอิงได้ด้วยหลวงพ่อพูดสอนคําว่าพิจารณาว่าพิจารณาในเบื้องต้นเนี่ยคิดพิจารณานะคิดพิจารณาไม่เป็นวิปัสนาะแต่ตรงที่จิตมันพิจารณาอารมณ์มันพิจารณาของมันเองนะตัวนี้มันเดินปัญญาอยู่นะตรงนี้บางทีไม่มีคําพูดด้วยซ้ําไปนะจิตมันเข้าไปศึกษาค้นคว้า นีจิตมันจะเป็นไปเองงั้นคำว่าพิจารณาไม่ได้แปลว่าคิดเสมอไปนะคนไทยไปพิจารณาเนี่ยชอบติดคำว่าคิดพิจารณารู้จักคําว่าวิจารณ์ไหมวิตกวิจารณ์วิตกคือการที่จิตจับอารมณ์ขึ้นมาเช่นเราท่องพุทโธมีวิตกจิตจะจับพุทโธ ร, รู้ลมหายใจจิตจับอยู่ที่ลมไม่ไม่หนีไปที่อื่นเรื่องมีวิตก จิตเข้าเคลียอยู่กับลมโดยไม่ได้เจตนาจะเข้าเคลียเรียกว่าวิจารเห็นไหมการที่จิตน่ะเข้าไปเข้าเคลียโดยไม่เจตนาะเป็นวิจารณ์นะเนี่ยพอถึงละเอียดเข้าไปแล้วมันจะไม่ใช่คิดละนะสรุปก็คือฟังไม่รู้เรื่องอีกแหละเ <laughs> พราะอะไรนึกสภาวะไม่ออกใช่ไหมออนึกสภาวะไม่ออกไม่เห็นสภาวะแจะค่อยเข้าใจหรอกนาะใจเย็นๆภาวนามันได้ขนาดนี้ คืออย่างนี้ดูอย่างนี้ถ้าพิจารณาธรรมะแล้วจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยการพิจารณานั้นได้สมถะถ้าพิจารณานะจิตตั้งมั่นอยู่แล้วพิจารณาเนี่ยจะได้ปัญญาถ้าจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วคิดพิจารณาจะได้ความฟุ้งซ่านหลวงพระพูดสอนว่าฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาการพิจารณานั้นต่างกันนิดเดียวเองนิดเดียวเท่านั้นเอง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนิ้เดียวก็ฟุง้งซ่านอย่างคุณจันรู้สึกไหมจิตไม่ตั้งมั่นอย่างนี้ไปคิดธรรมะนี่คือฟุ้งซ่านในธรรมะเวลาที่พิจารณาธรรมะนี่จิตตั้งมั่นนะจิตสบายจิตโปรง่งโล่งเบาดูกายทำงานดูใจทำงานแค่ดูกายทำงานดูใจทำงานพิจารณาแล้วนะยนิ่งหณาแล้วนะไม่ต้องคิดเลยจะเห็นเขาทำงานของเขาไปเห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นเลย พ่อค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนอยู่การปฏิบัติอยู่ในช่วงที่ยังแย่สภาวะนี้ไม่ออกเนี่ยพอจิตออคิดไปไม่เป็นไรจิตมันจะพลิกไป<พ>มาพ อ, พอจิตคิดไปเนี่ย<อ>วิธีก็คือควรจะกลับมารู้ทันอย่าดึงแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะแล้วเวลาที่รู้รู้เนี่ยไม่ได้รู้เป็นวิปัสสนาตลอดจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงเป็นเองแหละส่วนการคิดพิจารณาเนี่ยเป็นอุบาย เป็นอุบายที่เราจะใช้เมื่อจิตไปติดนิ่งติดเฉยถ้าจิตมันไปติดเฉยอยู่จิตมันเฉยนะอย่างนี้ต้องพิจารณาช่วยที่ไม่เฉยเพราะไม่ชำนานทำไมไม่ชำนานเพราะเลิกเฉยมานานแล้วเดินปัญญาแต่สงบนะตั้งมั่นนะอะต่อไปขอถามอีกข้อหนึ่งด้วยนะคะ ที่มีในในเอ็ที่บอกว่าคนที่ใช้ปัญญานําสมาธิเนี่ยการปฏิบัติจะแห้งแล้งคําว่าแห้งแล้งในที่นี้แปลว่าอะไรคะแบบสุขวิปสัสสก ะ, จะเจริญปัญญาไปเรื่อยนะแล้วไม่ได้พักได้พักน้อยได้พักเป็นวุบๆตอนที่จิตคลิกจากวิปัสสนามาเป็นสวถะนะสั้นๆันสั้นนิดเดียวไม่อิ่มงั้นแหง้แงแล้งเดินแบบสุขวิปสัสสกะ แต่อย่าดูถูกสุขวิปัสสกะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นสุขวิปัสสกะในภิกษุ500องค์ที่เป็นพระอรหันตนะ์พระพุทธเจ้าท่านแยกไว้บเป็นพระที่ได้วิชาสามเนี่ย60องค์วิชาสามนะระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคนนี้ตายแล้วไปเกิดไหนรู้หมดแล้วก็ล้างกิเลสได้เนี่ยมี60องค์60องค์นี้ต้องเล่นชนันะ อีก60องค์ได้อภิญญาหกพวกนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะต้องชำนีชำนานในสมาธิมากเลยอีก60องค์เนี่ยเป็นอุปโ ต, ตภัณฑ์ิมุตได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญา320ที่เหลือใช่ไหมคือสุขวิปัสสกะเดินมาด้วยปัญญาแห้งแรงแห้งจริงๆนะพี่จันถึงจนดหนึ่งจะแห้งผากเลยแห้งเหมือนทราย ถูกแดดเผาแล้วก็ไม่เคยถูกน้ําอะจะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเรียกว่าเหือดแห้งจริงๆนะคําโวราณแต่ละคํานี่เหือดเลยอะ่ะเหือดแห้งแห้งสนิทแห้งจนหมดยางแห้งจนแตกกระจายเป็นฝุน่นผู้ปฏิบัติโดยวิธีอื่นไม่แห้งอย่างนี้หรอคะเหือดไม่แห้งไม่แหง้มแหงมีน้ําเลี้ยงส<ะ>น้ำก็คือสมาธินั่นแหละปิติ ถ้าเกิดว่าอย่างนี้คนที่ใช้ปัญญานําสมาธินี้ไม่เกิดปิติเอ้ยจะไม่เกิดปิติเกิดได้ปิติไม่ถึงฌานแต่ปิติระดับแผ่วๆแค่นั้นเองแผ่วๆไม่หวือหวาไม่ได้ไม่เวือหวานะยังไม่ชื่นใจก็หายไปแล้วใช้ไอย่างปิติเกิดพอรู้ทันหายไหมไม่ทันจะชื่นใจเลยความสุขเกิดพอรู้ทันหายไหมหายหายทันทีเลยปุ๊บอ่ะ ย, ยังไม่ได้อิ่มเ อ, อิบเลย เทียบนะ้ำเหมือนคนเดินทางไกลถ้าไปแบบสุขวิปสัสสกาเนี่ยคล้ายๆแบกเบป้ไนปะเดินไปเรื่อยนะถึงที่นี่คืนนี้ไม่มีน้ำอาบกไม่ได้อาบนะเดินต่อไปนะไม่มีข้าวจะกินไม่มีที่จะนอนนะนอนข้างถนนนอนใต้ต้นไม้กว่าจะถึงที่หมายปลายทางเหนื่อย อีกพวกห น, นะนึ่งนะสบายนั่งรถไปเปิดตะทุนได้ชมวิวถ้าแดดไม่ร้อนถ้าร้อนอยู่ในรถแอร์เปิดหน้าต่างชมวิวดูกระจกนั่งไป ช, าช้าๆชมน่นชมนั้นเอ๊ะตรงนี้แวะหน่อยก็ได้ เ, เจอสวนรูกขาติตรงนี้แวะซะหน่อยแวะทะเลทะไหลพอสมควรแล้วค่อยไปต่อถึงเวลากลางคืนก็เข้าโรงแรมนอนอาบน้ำกินข้าวให้สบายสบายกว่ากันนะ แต่ส่วนใหญ่พอมันเจอสวนลูกกราชาตแล้วมันไม่ไปไหนแล้ว <laughs> ไฟอยู่แค่นั้นแหน <laughs> ละหลวงพ่อเคยโดนหลวงปู่บุญหลวงปู่คำคพันธ์คำพั น, พนสอนตอนนั้นเราภาวนานะแล้วก็ใจสบายโลร่งว่างสบายเช่แล้วแล้วท่านก็สอนว่าเดินทางภาวนาเหมือนเดินทางไกล เราไปเจอต้นไม้นะเราเห็นต้นไม้นี้ดีต้นไม้นี้ร่มเย็นนะเราอยู่กับต้นไม้นี้เราไม่ยอมไปไหนเราก็ไปไหนไม่รอดหรอกงั้นมีข้อดีข้อเสียนะไปแบบแห้งแล้งเนี่ยตะเกียกตะกายไปนะแต่ไม่ยอมอยู่ช้าแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วโลกนี้หาที่ที่มีความสุขไม่ได้เลยย่างเท้าลงที่ไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไปอย่างนี้เลยนะไปด้วยปัญญาเลยนะปัญญากล้าเห็นอนัตตาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา หมุนอยู่ทั้งวันถ้านั่งสมาธิออกมาเดินปัญญาช่วงหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิอีกก็นานหน่อยเพราะอย่างนี้เราเลือกได้ไหมคะเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาหมายถึงว่าพอเรารู้ว่าสุขวิปัสสโกเนี่ยการเดินจินมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยไปศึกษาสมถะเพิ่มเพื่อที่จะไม่ได้อันนั้นจะเป็นเรื่องทะเลถลายไม่ใช่การปฏิบัติแนละ้ว ถ้าการปฏิบัติเนี่ยจิตมันเป็นของมันเองนะอย่างบางคนมันจเจริญปัญญานิดเดียวพลิกเข้าหาความสงบลึกเลยนะหรือหายใจสองสามทีจิตก็สงบลึกไปเลยออกจากลมหายใจมาแล้วมาเดินปัญญาต่อนะไม่ใช่แกล้งทะเลาไหลนะไอ้นั่นเรียกไม่เรียกว่าปฏิบัตินะไม่อยู่ในทั้งแบบเดินด้วยสมาธิไม่อยู่ด้วยเดินด้วยปัญญาจะเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมเฉย อย่าดิ้นรนอย่าดิ้นรนนะจําไห้นะประโยคนี้ถ้าลืมรเมื่อไหร่แล้วก็เสียเวลาอีกนานเลยรู้ซื่อไปแต่ถ้าใจแห้งแรงจริงๆนะไปอ่านธรรมะอ่านพระสูตรอ่านอะไรเงี้ยนะที่ชื่นใจอะอย่างหลวงพ่อถ้าอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระสาวกเราชื่นใจนะได้ปิตินะแล้วก็แช่มชื่นใจอยู่ช่วงหนึ่งมาเดินปัญญาต่อบางที พอเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยจิตมีปิติอยู่ได้หลายวันนะใครเคยเป็นเดินปัญญาไปแล้วพอเข้าใจอันนี้นะมีความสุขอยู่เจ็ดวันนะมีนะไม่ใช่ไม่มีเลือกไม่ได้ถ้าเลือกก็ทําตามกิเลสแล้วเพราะถ้าแล้วถ้าเกิดว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเกิดปิติแต่เราจะเกิดคือเฉยเฉยถ้าเป็นส่วนมากนี่นเฉนเฉยติดเฉยเฉยต้องระวังเฉยเฉยมีไหลายเฉย เฉยซื้อบื้อก็มีนะต้องระวังตัวนี้ให้มากเลยเฉนะยซื้อบือ้อตามเป็นไหม <c oughs> ถ้าเฉยสบายโปร่งเบาอยู่ น, นั้นถูกตอนที่นเฉยแบบไหนอะ่ะอนนี้เฉยแบบติดคิดอย่างนี้อเฉยซื้อบื้อละ <c oughs> <c oughs> ใจไม่มีความแช่มชื่นเลยนไะ <c oughs> อย่าคิดมากคิดมากยากนาน รู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่ยากเลยไม่นานด้วยไม่นานนะฟังหลวงพ่อบอกนะไม่นานแต่ถ้าดิ้นรนคน้นคว้าแล้วก็นานแน่นอนเมื่อเช้าเรียกบางคนเข้าไปพูดธรรมะอันหนึ่งให้ฟังนะบอกว่าความจงใจที่จะหมายรู้อารมณ์ทางใจเมื่อเกิดความจงใจที่จะหมายรู้เมื่อไหรนะจิตจะทํางานทันทีเลยคือเกิดการกระทํากรรมทันทีเกิดการสร้างภพทันทีเลย บางทีหมายรู้ไปนะเป็นการสร้างภพที่ดีขึ้นก็ได้แต่ทุกไห ม, มทุกมีภพทิรัยมีทุกทุกทีนะงั้นาการที่เราแค่จงใจจะหมายรู้อารมณ์ตอนนั้นเองก็ยังสร้างภพเลยแล้วก็สร้างทุกข์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะงั้นถ้ารู้ไม่ทันเบื้องหลังการหมายรู้อารมณ์คือความโลภนั่นแหละคุณนะจันทรู้ทันความโลภไหมนะตอนนี้โลภแล้วละ่ะมันถึงพยายามจะเรียนรู้ใหญ่ตัวเองนึกออกไหม ยิ่งพยายามยิ่งช้าแต่ขี้เกียจแล้วก็ช้าสุดยอดเลย <c oughs> อ้าวหนูก็ตายส่งกันบ้านกนารนมัสการค่ะเพราก็ตอนเช้าง่วงนอนมากเลยค่ะแล้วก็มันก็ดีขึ้นมานิดนึงค่ะ<อ>แล้วก็หนูก็ดูว่าโมหะเข้าแทรกเป็นระยะระยะค่ะอพอรู้มันก็โลง่งแล้วก็มามีโมหะตัวนี้ดูง่ายนะระหว่างโมหะกับง่วง มืดๆ ม, มัวๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นโมหะเรารู้ทันนะจะหายเลยแต่ง่วงรู้ทันไม่หาย เ, อ, เออไม่เหมือนกันนะตะกรากับหิวก็ไม่เหมือนกันตะกร่เนี้ถ้ารู้ทันนะหายเลยถ้าหิวรู้ทันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละคนละอนไปดูต่อนึกว่าจะส่งกันบ้านว่าเมื่อเช้านี้มีโมหะผัสสายโมหะมากกว่าเก่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ดีขึ้นรู้สึกตัวไปได้ นะดูกายดูใจทํางานไปเรืเอ่อยอ้าววันนี้ตื่นเต้นไหมเต้นเต้นค่ะเรียกให้พ่อช่วยเวลาลูกจะส่งกันบ้านนะพ่อตื่นเ ต, น ต, นต้นกว่าลูกอีกลุ้น <c oughs> อ่าว่าไปก็เ <c oughs> ่อวานนี้เดินจงกรมในกุฎอะคะ่ะแล้วก็แบบมันเหมือนกับเห็นว่ากายมันเดินอยู่แล้วใจมันก็ไปดูค่ะอู มันต้องอย่างนั้นสิแล้วแต่ว่ามันเห็นแค่แป๊บเดียวค่ะเออจงใจเห็นนะหลังจากนั้นอยากเห็นอีกก็ไม่เห็นสิใช่ไหมใช่ค่ ะ, อ, ะอย่าไปอยากเห็นทําสบายๆเดี๋ยวเห็นทั้งวันเลยเห็นจนเบื่อเลยเห็นจนเบื่อจริงๆนะเห็นหรือมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยไร้สาระทั้งโลกเลยพอนะใจเบื่อแนละ้วใจสลัดทิ้งนะใจจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันยิ่งกว่าต้นไม้ได้น้ํำอีกนะสดชื่น รู้ไปเรื่อยดีแล้วแ oh <my> ยกขันได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะครับตัวผมไม่ถนัดการบริกรรมแบบพุทโธนะครับเ อ, อถนัดอะไรล่ะก็ะอาจจะดูกายดูจิตเอาได้อันนี้จําเป็นต้องไม่ถ้าไม่ถนัดไม่ต้องทําก็ได้ยังเดินภาวนาได้ <c oughs> ใช่ไหมเราก็ไป <c oughs> ทํากรรมฐานที่เราถนัดสิหรือไม่ถนัดสักอย่าง <c oughs> <c oughs> นะถนัดอะไรเอาวันนั้นอย่าไปบังคับจิตอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้แข็งแข็งนะ รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนะก็พยายามเข้าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะรู้ลมหายใจอะไรก็ทาไม่ต้องเอาสงบหรอกทำเล่นๆไปงั้นแหละทำเพื่อจะได้ฝึกนิสัยตัวเองให้ไม่เป็นคนโลเลนะฝึกอย่างนั้นแหละพอเราทําทุกวันทุกวันนะใจจะค่อยมีแรงขึ้นไปเองอแต่ว่าถ้าทาแล้วมุ่งจะสงบมุ่งอะไรเ ง, งี้ยใจจะฟุ้งทำแล้วเหนื่อย มันทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ลมหายใจอะไรก็ทำไปเถอะทำเล่นๆถือว่ามีหน้าที่บูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาไปไม่หวังผลอะไรเดี๋ยวจิตจะได้มีพลังขึ้นมาจิตดีนะก็มีพลังอยู่หรอกแต่ว่าใช้ไปนานๆมันก็หมดได้ซ้อมทุกวันแล้วดีคนลีนน้พ่อค่ะเมื่อวันยม ตนเย็นออกไปเดินจงกลมตรงข้างหน้าโบสถ อ, อแล้ว ก, ก็กลับหลงหลวงปู่ลุนทุกตีเลยน่้จรู้สึกเหมันใจไม่ไม่เคยนี่งนะนะพอหลังจากหลงหวงปูล่ลุนแล้วรู้สึกเดินดีค่ะห mm hmm. ลวงปู่ลุนสัจจริงๆ mm hmm. เดินเดินเสร็จแล้วก็พอทุ่มทุ่มกว่าก็าก mm hmm. เข้าไปในในก mm hmm. อ, อทั้งไหวพระ สดมองนั่งสมาธิอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าได้เวลาเรินจองกรมกบอดีกรรมพู้ทอพู้ทอนนะได้หนึ่งมีสตินะคะไม่หลงเลยดีใจมากเที่ยวนี้ที่มาวัดเนี่ยกลับบ้านไปทำอีกเนะค่ะทำให้ได้ทุกวันทำบ้านเป็นวัดเลยว่าเ <laughs> นะมื่อกีีนะมองมือมือดก็มาด้วยสกัวด้วยเสืกกสเอเไป็นธรรมชาติดีค่ะดี สบายนะอยู่กับธรรมชาติสบายดีมันไม่ยว่วกิเลสมากสบายมันมีเวลาไม่ไม่คิดถึงอย่างอื่นน่ยมีเวลาภาวนานั่งสบายสบายโอ้ยโยมนี้น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ชวนคนภาวนาอ้าวต่อไปขอบพระคุณหลวมพ่อใครจำเป็นขอจำเป็นนะไม่ใช่อยากเบอร์สามเบอร์สามอยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้า กลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะข่าวที่แล้วหลวงพ่อถามหลวงพ่อเกี่ยวกับนั่งแล้วชอบหลับอะค่ะก็ช่วงนี้ก็ข้ามผ่านตรงนั้นได้แต่ว่ามันมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาตอนจะหลับอะค่ะเจ้มันจะมีอาการหนึ่งที่รู้สึกสงสัยก็คือปากเนี่ยมันเหมือนแบบพั ง, งาบลงมาค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะร่างกายหรือเพราะร่างกายนะยจิตมันจะหลับแล้ว มันเลิกเกร็งแล้วจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเจ้าชายศรีทัตถะถ้าเลยออกบวชเลยเจอสาวสาวไม่ทราบว่าอืมแบบคุกวงในมากไปหรือเปล่าอะไรนะคุกวงในมากไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกรู้สสบายๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคะไม่ไม่มันมันจะถึงเวลามันจะพักแล้วมันคลายกล้ามเนื้อออก ก็ก็คือก็รู้อะไรได้มากขึ้นนะคะคการแยกกายแยกจิตนี่ก็รู้แบบชัดขึ้นแล้วก็ตัวเวทนาความทุกข์ทั้งหลายก็รู้สึกว่ามันเป็นอนัตตาจริงๆเออเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอเราไม่สามารถเลือกได้แล้วเราก็มีใจที่ยอมรับมากขึ้นไม่ค่อยดินน้นรน มีก็ไม่ทุกค่ะมีความเป็นกลางเป็นเป็นกลางมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะดีอย่างเมื่อคืนนั่งเกือบสองชั่วโมงก็มีความรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นดีไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนาให้ทำอะไรต่อเถอค่ะทำต่อสิทาไปเรื่อยทำไปทั้งชีวิตแหละค่ะนะแต่ว่าถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาบ้างค่ะอย่าฟุ้งไปยังโยมนี่ รู้ซื่ออยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจงใจรู้คุกงวงไม่คยนะจงใจหรอกรู้ได้ดีอยู่กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเ <24. S 3> มื่อส4บสวัสการค่ะหลวงพ่อก็ผ่านไปสองปีก็เจอทุกเยอะค่ะก็ะนะเลยเจอเจอทุกเยอะค่ะก็รู้สึกว่าคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าเราก็หลงไปติดกับมันแล้วก็ ไม่ตื่นแคทีมีอยู่วันหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อคนจริงแล้วเราก็าทุกเนี่แหละมาช่วยในการภาวนาไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คือก็เห็นว่าเออพอเรามีทุกขึ้นมาเนี่ยเราไม่เป็นกลางก็คือเราเหมือนกับว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าอ๋อนี่ทิฏฐะเราไม่ชอบเองเราก็เลยใช่พอเราชอบเราไม่ชอบนะทําให้ใจดินด้นดิ้นทั้งคู่ชอบก็ดิน้นไม่ชอบก็ดิน้นแต่ดิ้นทีไรก็ทุกทุกทีแหละค่ะ พอหยุดดิ้นก็เลยเหมือนกับพอพอเราดูบางครั้งรู้ตัวขึ้นมาหยุดดิ้นเราก็อ๋อพอวางมันเป็นแบบนี้เองอะไรเงี้ยค่ะมันดับไปเองอะไรนะคะมันมีวางเป็นขั้นขั้นไปนะวางวางขั้นสุดท้ายนี่มันวางจิตสลัดจิตทิ้งเลยแต่มันก็ก็ยังไม่ถาวรค่ะเดี๋ยวมันก็กลับไปยึดใหม่ดีดีที่รู้ว่าไม่ถาวรค่ะพอพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆก็รู้สึกว่าความจริงเรา เกิดมานี but, <isation> <JJonak for u> ่ท <_ hat> ุกอย่างมันทุกไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันมันเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์มันเลยเศร้าถ้ายอมรับได้ไม่เศร้าจะยิ่งเบิกบานแปลกนะยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งเบิกบานค่ะเราบางครั้งเนี่ยพอรู้สึกว่าบางครั้งเหตุของการที่จะทำให้คือการที่เราไป ไปยุ่งกับคนอื่นเยอะหรือว่าเข้าไปอยู่ในโลกเยอะเนี่ยบางทีมันทําให้เรามีกิเลสเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราไม่อยากเข้าไปอยู่ในโลกอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากเข้าไปยุ่ ง, งก็มันยุ่งอยู่แล้วมันอยู่กับโลกอะก็ <c oughs> อยู่กับมันนะอย่างฉลาดนะห้าสิบแปดอยู่ได<ห>้เลยนำ้ำมัสการเยอะค่ะมันหนักมันถูกกดแล้วก็รู้สึกแน่นเยอะค่ะดูที่ใจนะใจไม่เป็นกลาง ใ, ให้ใจเป็นกลางไว้มันจะเป็นยังไงก็ตามร่างกายจะถูกกดถูกบีบจนมันจะแตกสลายนะก็ช่างมันใจยังไม่เป็นกลางนะดูที่ใจเอาใจไว้อันเดียวอันอื่นไม่รักษารักษาใจอันเดียวนอกจากนี้ละโยมทำอะไรผิดไม่ไม่ผิดอะไรนะเราก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปทีแรกก็รู้สภาวะทุกทิงทุกอย่างที่มีนะต่อไปก็รู้ทันใจ ถ้จิตใจพอเจอสภาวะอย่างนี้ใจไม่เอานะอ่ารู้<ช>ตรงนี้ไปเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณค่ะโยมแผ่เมตตาไว้แผ่เมตตาใจมันได้เปิดกว้างออกสบายนะแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรเงี้ยใช่ใช่เราแผ่เมตตาไว้เดีย๋ยวหายนะพอแผ่เมตตาแล้วสมาธิมันเกิดตัวหมุนหมุนนี่ก็หายไป ร้ 2. 2ค่ะมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าแยกธาตุแยกขันได้แล้วอะค่ะก็เลยไปเน้นตรงนั้นมากแล้วสุดท้ายก็เลยลืมไปไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ได้ใช่ค่ะ<ม>ฟุ้งซ่านไปแล้วก็เลยตอนนี้ต้องกลับมาที่ใช่เดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวใจมันแตกไปค่ ะ, คะเรียกเดินปัญญาจนใจแตกรู้สึกไหมสมาธิมันแตกนะทําความสงบกลับเข้ามาเดี๋ยวก็หายนะ เกสิบเจ็ดนรรมสการค่ะหลวงพ่อคือหนูดูด้วยพุทบริกรรมพุทโทอะค่ะแล้วก็ดูจิตที่คิดไปอะค่ะคราวนี้ก็เลยจะรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมดูได้บ่อยไหมก็ถ้าเกิดตอนนั่งสมาธิก็จะเห็นชัดกว่าตอนทำงานนะคะตอนทำงานก็แล้วแต่ว่าคือถ้าเกิดจิตไปอยู่ที่งานก็จะไม่ไถ้าจิตไปอยู่ในงานไมมีหน้าที่นะ จดจออางานไปมันก็จะเห็นเห็นบ้างนะมันน้อยกว่าควันนี้ตื่นเร็วไปหรือเปล่าหรือไงคะจิตปกติเหมือนวันนี้ไหมปกติเหมือนวันนี้ไห ม, มวันนี้รู้สึกสงบกว่าเพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรต้องทำเลยอืมซึมไหมวันนี้ซึมค่ะเออซึมกับสงบไม่เหมือนกันนะอืมค่ะซึมเนี่ยใกล้กับสลบ ออไม่เหมือนกับสงบค่ะงั้นเราคอยรู้ทันนะจิตสงบดีนะจิตซึมไม่ดีจิตสงบเป็นกุศลจิตซึมเป็นอกุศลนะงั้นเราคอยรู้ทันซึมก็รู้ซึมก็รู้ใจก็จะตื่นตัวขึ้นมาขนะ้าใจมีกำลังแล้วก็ดูกายดูใจทำงานไปแล้วสังเกตไปด้วยจิตเราถึงฐานจริงไหมหรือจิตกระจายกว้างๆออกข้างนอกตัวนี้สาคัญนะดูออกไหมจิตตอนนี้เป็นยังไง ถึงฐานไหมเออไม่ใช้ได้เ2้าสิบสองอยู่ข้างหลังนะส่งใครข้างหลังวันนี้ผู้หญิงยกมือเยอะกว่าผู้ชายฮกรับนำ้ำมันการพระอาจารย์ค่ะโยมเคยมาส่งการบ้านแล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นอะคะ่ะได้้โยมไปทำในรูปแบบแล้โยมก็ไปเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็เดินจงกรมบ้างตอนเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระและ<อ>้ว จิ ต, ต, ตมีแรงรขึ้นมไหมจิตมีแรงขึ้นไหมล่ะก็มีค่ะโอ้ก็รู้แล้วนี่ต้องมาถามทําไมยังไม่รู้รู้ถูกแล้วยังไม่แน่ใจอะค่ะออจิตมีกําลังแล้วนะเมื่อจิตมีกําลังเราซ้อมอย่างเงี้ยทุกวันทําทุกวันน ะ, ะปฏิบัติทุกวันไปทําสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําไปเวลาที่เหลือมีสติในชีวิตประจาวันคอยรู้ทันจิตใ จ, ใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้ทันไปเรื่อยนะแล้วที่โยมอ่า ตอนที่โยมเดินจงกรมแล้วก็เห็นกายมันเดินจิตเองเห็นจริงๆนะรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปขันมันเริ่มแยกได้แล้วนะทําดีแล้วล่ะแต่ว่าต้องระวังพอแยกอย่างนี้ได้นะต้องคอยสังเกตอย่าให้จิตกระจายออกกว้างๆโล่งๆไปให้คอยกลับมาตั้งมั่นให้ถึงฐานจริงๆส่วนมากพอพวกเราหัดแยกขันไปสักพักนะสมาธิเราไม่พอ สมาธิเราไม่พอนะใจมันจะโล่งว่างออกข้างนอกไปให้รู้ว่าใจออกข้างนอกโล่งๆไปแล้วนะค่อยกลับมารู้กายไว้รู้กายรู้ใจด้วยเดี๋ยวม่กลับบ้านอย่าไปดึงมันมันจะกลับมาเองมากับใครล่ะมากับสามีค่ะสองคนค่ะสคนต้องช่วยกันจํานะที่หลวงพ่บอกพยมผู้หญิงมาแต่ปลื้มไม่ค่อยยอมจํจำะอ้าวเบอร์หกอยู่ข้างหลัง บางคนนั้นถามหลวงพ่อะแทบแย่เลยหรือลืมหมดเลยกราบธมรมชารหลวงพ่อนะคะ<ม>เป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะตามหมอม่อนมาแล้วก็โดย<ม>โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ฝึกอะไรมากแต่ว่าเคยได้ฟังซีดีของของหลวงพ่อแล้วก็เคยพยายามจะฝึกเพราะรู้สึกว่าโลกมันชีวิตมันทุกข์<ม>แต่ว่าก็คงเป็นคนที่อาจจะไม่มี วินัยมากอะค่ะก็เลยยังไม่ได้นั่นก็เลยอยากจะมากราบเรียนขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเรคอยนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนตลอดเวลานะอย่าไปแทรกแซงมันค่อยตามรู้มันไปเรื่อยใจเป็นสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้หนักก็รู้เบาก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะ อย่าแทกแสงรู้เฉยๆรู้สบายๆดูเหมือนดูคนอื่นะนะดูงั้นไปเรื่อยต่อไปปัญญามันแก่รอบเพื่อนเห็นเลยมีแต่ของไม่มีสาระนะที่ว่าโลกเป็นทุกข์นั้นทุกข์จริงๆแต่ว่าทําไมเราปลอยทุกข์ไปกับโลกด้วยเพราะเราไม่อยากให้โลกเป็นทุกข์เราอยากมีความสุขเราไปอยากในของซึ่งไม่มีจริงเราอยากมีความสุขความสุขเป็นของที่ไม่ได้มีจริงความทุกข์ ม, มันมีจริงๆนะ พอทุกน้อยลงเราก็ไปเรียกว่าสุขเพราะันจริงๆแล้วภาวนาไปเนี่มันจะเห็นแต่ทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วใจยอมรับได้โลกนี้เป็นอย่างนี้แหละใจหมดความดิ้นรนที่จะปฏิเสธมันใจไม่หลงกับมันด้วยเพราะเห็นแล้วมันเป็นทุกข์แล้วใจไม่ดิ้นรนปฏิเสธเพราะรู้ความจริงแล้วโลกเป็นอย่างนี้แหละใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางใจไม่ปรุงต่อใจไม่ทุกข์หรอกโลกก็ทุกข์ส่วนของโลกไปนะใจเราไม่ทุกข์ด้วยกับโลกแล้วต่อไป บายบายกันตรงนั้นเลยนะเรียนเรียนถามวิงดีได้ไหมคะหลวงพ่อพอดีเป็นผู้เป็นผู้บริหารแล้วมันก็เลยต้องเจอกับปัญหามากมายผู้คนมากมายแล้วก็เลยก็คือเราต้องมันไม่มีทางจะเปลี่ยนใช่ไหมคะไม่มีสิ่งที่ทําได้ก็คือดูใจก็รู้ทันใจของเรานะแล้วสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยบางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองกดข่มหรือเปล่า หรือเรารู้ตามได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจถ้าดูง่ายๆถ้าขมนะใจจะแน่ น, อ, นอึดอัดถ้ารู้อย่างที่มันเป็นใจจะโปร่งโล่งขึ้นมาเนี่ยวัดตัวเองง่ายๆ่ายเลยนะเป็นผู้บริหารนะภาระเยอะงานเยอะเหมือนเป็นสมภารนะสมภารแปลว่าสมภาระมีภ า, ะภาระเสมอผู้บริหารก็เหมือนกันน่าจะตั้งนะอธิบดีเรียกว่า อ, อ, อธิสมภาร อย่างนี้นะจริงๆแล้วแย่งกันเป็นนะผู้บริหารนะลืมไปว่าแย่งภาระนะช่วยไม่ได้เวนกรรมจัดสรรให้เป็นผู้บริหารเนอ ะ, ะอยากเลื่อนสีอีกไหมอยากเลื่อนสีอีกไหมไม่อะค่ะจริงๆก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากอยากเลื่อนไหนนะคื อ, อคขึ้นตำแหน่งอเหรอคะ จริงใจใจคงตอนนี้ไม่อยากแล้วอยากจะแบบปล่อยว า, างอยากจะขึ้นเงินเดือนอันตรงนั้นอาจจะยังมีอยู่เราเร า, าลงตำแหน่งนี้แล้วใช่ั้ยมีตำแหน่งนมีหน้าที่ตามมาทำไปตามหน้าที่เล่นกับมันไปอยู่กับโลกนะเล่นกับมันให้เป็นมันไม่ใช่ของจริงหรอกใส่หน้ากากใส่หัวโขนไปตามหน้าที่ ตามหน้าที่เท่านั้นแหละแต่เราก็รู้ความจริงว่า น, นี่คือหัวโขนเท่านั้นแหละหมดเวลาเล่นเขาก็ให้เปลี่ยนคนอื่นมาใส่แทนนะเราไปใส่หัวโตกว่านี้อีกหลวงพ่อนะทำงานอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะอยู่กับผู้บริหารอยู่กับอะไรเนะ <c oughs> เห็นเลยแต่ละคนไม่มีความสุขอ่ะแต่แย่งเงินเป็นอนะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องแปลกนะร้อยสิบห้า อาเชิญข อ, ขอกราบนพัธศ ก, การหลวงพ่อนะเรียนถามว่าคือเมื่อตอนสิบประมาณ1ิบขวบนะฮะเคยจ้องกระจกเงาเป็นระยะเวลานา น, านแล้วก็มันเกิดความรู้สึกแปลกๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้สึกออ่ามันอธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็พอเกิดล้วจากนั้นมันก็เกิดความกลัวมากเลยใช่มันเห็นรูปแลวครับไม่เห็นตัวรูปนะแล้ ว, ลวตัวเรามันหายไปันกลัว แล้วพอหลังจากนั้นลองทําอีกสักสองสาครั้งก็เกิดสภาวะแบบเดิมแล้วก็จนกระทั่งแก่ป่านนี้แล้วเลยไม่ได้กล้าทําอีก<ำ>ครัทําำอย่างพิจวัวสภาวะดีนะครับถ้าสิบขวบเกิดสภาวะอย่างนี้มันสะท้อนเลยว่าชาติก่อนได้ภาวานา ม, มาแล้ ว, คลวเคยแยกรูปแยกนามมาแล้วมันถึงทําได้ง่ายครับแล้วก็พ อ, อจบมาหาอะไรใหม่ๆก็ได้อ่านตําราของครูบาอาจารย์หลวง หลวงปู่มัน่นหลวงพ่อพุทธทาตุแล้วก็พระพรมคุณาภรณ์อ่าแล้วก็รู้สึกมีปิติเหมือนน้าตาจะไหลนะแล้วก็มีความเข้าใจรู้สึกว่าเราเราโ ง, ง่เรื่องเรื่องศาสนาเยอะเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องโลกของโลกสมมุติกับโลกบรมากนะแต่ว่ายังเข้าใจว่ามันคงเป็นแค่สุตตมายปัญญากับสตามายปัญญาอ ตอนหลังก็เลยเริ่มเข้าปฏิบัติก็มีความรู้สึกว่าต้องต้องปฏิบัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติคงไม่ได้ใช่แล้วก็เลยเข้าไปแบบพองยุบก็มันก็ดีอยู่รู้สึกว่าสภาวะจิตมันก็จะรู้สึกปิติอยู่พักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็หายก็ก็เอาหมายก็พอฟังซีดีของหลวงพ่อปุ๊บก็ปิ้งใหม่ครับปิ้งก็พยายามจะปฏิบัติตามของโยมนะแนะนําเลย โยมดูขันไปเรื่อยมันแยกออกไปแล้วครับจิตกับขันเนี่ยมันแยกออกจากกันอยู่แล้วลวนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทํางานไปเรืยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยแต่เดิมเราเรียนจากตาํานะราเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเรามาเรียนจากของจริงเราอย่าไปคิดนําเลยนะร่างกายเห็นไหมร่างกายที่พยักหน้ามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเรานะ ความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่เราจิตเองก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นปจิตอกุศลเป็นแตะของไม่เที่ยงเหมือนกันนะดูไปเรื่อยไม่มีอะไรที่บังคับได้ครับตอนนี้ก็ดูกายดูใจนต่นแหละ<ต>ดูอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สวดมนต์นะหลวงพ่อเป็นแล้วสมาธิไม่ไม่ดีนะสมาธิอ่อนไป พอสมาธิอ่อนเนี่ยใจมันจะเป็นอย่างตอนนี้ไงมันจะโล่งๆว่างๆออกข้างนอกไปนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจมันจะไม่เดินปัญญา ต, ต่อมันจะหลบไปพักว่างๆอยู่ยงั้นก็นะต้องต้องสมถะด้วยใช่ไหยควรทำนะควรทาเวลาที่เราจะเอาให้ได้มักได้ผลเนี่ยควรจะได้พร้อมเลยนะทำได้ทำได้ไปทำซะกราบขอบพระคุณครับดีมีบุญเกา่าในโผล่ขึ้นมาตั้งแต่สิบขวบ 69สิบเกน้รักาการค่ะหลวงพ่ อ, อขออนุ ญ, ญาตขออนุ ญ, ญาตถามดังๆหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงขออนุญาตถามต่อจากคุณนาท่านเมื่อกี้นะคะคือพอดีว่าเกิดสภาวะเดียวกันในสมัยเด็กๆนะคะที่ว่าดูดูกระจกแล้วก็กลัวแต่พอคือตอนตอนเด็กๆ ก, ก็เกิดสภาวะนี้ค่อนข้างค่อนหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ช่วงหลังช่วงหลังก็เกิดบ่อย จนคือรู้สึกว่าคือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมดูแล้วถึงถึงกลัวได้แล้วก็แต่พอเกิดความกลัวขึ้นปุ๊บสติเราก็ไปจับว่าเอ้ะ เ, เรากลัวแล้วนะแล้วก็ดูต่อไปเราก็ยังเห็นความกลัวนั้นอยู่แล้วแล้วสุดท้ายก็ก็เลิกดูเอออย่าเลิกสิทำไมทําไมถึงกลัวล่ะคะทั้ทั้งเพราะพอเราเห็นรูปนามแล้วแล้วเพราะว่ารูปนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรารักในความเป็นตัวตนมาก เรารักตัวตนที่สุดเลยเรากลัวตัวเราหายไปพอเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยตกใจนะบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวื้องว่างวางเวงหรือเห็นจิตใจมันทำงานได้เองบางคนตกใจกลัวเลยกลัวว่าเอ๊ะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับกลัวหน้าตาตัวเองนะคะกลัวตัวเราหายไปอ๋อจริงๆคือกลัวตัวเราหายไปเหรอคะลึกเลยที่สุดเลยนะกลัวตัวเราหายไป S <S ไอ้กลัวหน้าตัวเองเนี่ยก็ธรรมดาหรอกมันเป็นคนแปลกหน้า <S <S รู้สึกไหมมันเป็นคนแปลกหน้า <S <S แล้วมันมาโผล่กระจก ใ, ใกล้ๆเราเราก็ตกใจสิ <S <S แต่จริงๆก็คือเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วก็ที่จะส่งกันบ้านก็คื อ, อ, อหลังจากส่งกันบ้านไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็พเพียพรภาวนามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีวิเนในการที่จะสวดมนต์นะคะเพื่อเป็น อุบายในการดูจิตนะคะคราวนี้พอเพียนมากขึ้นปุ๊บแต่ก่อนเนี่ยเคยรู้สึกเวลาเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยเราก็จะขยันดูแต่เวลาที่เรามีความสุขเนี่ยเราก็ปล่อยให้จิตไหลไปกับความสุขแต่หลังจากเพียนมากขึ้นทุกก็ยังดูอยู่แต่ว่าความสุขเนี่ยคือมันเหมือนพอเกิดสุขปุ๊บจิตก็ก็ไปก็ก็ก็เห็นทันแล้วก็มันเกิดปล่อยวางทันทีพ แล้วมันเกิดเกิดบ่อยมากจนจนรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นสุขปุ๊บเราเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้สุขมันไม่สุกหรอกมันเป็นช่วงที่ทุกน้อยเท่านั้นเองค่ะรู้สึกว่ามันเอ้จริงไม่ใช่ความสุขนะมันทุกอยูล่ลึกมันเป็นของที่พึ่งพาไม่ได้ใจมันรู้ความจริงนะว่าไอเนี้ยของปลอมชั่วคราวยังไม่ใช่ของจริงดีที่เห็นน่ะค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปอ่านหนังสือที่ พูดถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันพระสกิทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเป็นคนช่วงหลังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยจําเหมือนไม่ค่อยจําพวกปริยัแต่ว่าอ่านเพื่อรู้ว่ามันไหล <Ừ. S 1> อ, ไอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากอ่านจบเนี่ยไม่กี่วันมันก็อยู่ๆจิตก็บอกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วการที่เราคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะบระรลุโสดาบันหรือ อนาคาสกิทาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัย <Ừ. S 2> เแค่เรารักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ <Ừ. S 2> ทุกวันทุกวันอันนี้ <Ừ. S 2> คือคิดไปเองหรือว่าอจิตมันสอนธรรมะได้นะเวลาจิตสอนธรรมะเนี่ยเราต้องศึกษาต้องตรวจสอบด้วยบางทีก็สอนจริงๆนะบางทีหลอกเราก็มีกิเลสหลอกเราก็มนะีถ้าสอนแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนก็ใช้ได้นะถ้าสอนขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเชื่อมันกิเลสมันสอนแทน ดีหนูไปพาวนาต่อน ะ, ะแต่จิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตต้องถึงฐานนะบ เ, เบอร์30เบอร์30แล้วคนสุดท้ายเบอร์665นะเตยมตัวกลับบ้านกลับราการหลวงพ่อค่ะส่งกลับบ้านหลวงพ่อไปเมื่อเดือนเมษายนแล้วลืมถามหลวงพ่อว่าให้ไปทำยังไงต่อค่ะ ตัง้งแต่เมษาค่ะพ่อครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ขยับกายช่วยแล้วต่อมาหลวงพ่อบอกว่าให้ดูลมหายใจหรือพุโทโธช่วยะคะ่ะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าติดเพ่งะะอ่ะค่ะอืแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อว่าให้ทํำยังไงต่ออะคะ่ะมันเพ่งเท่าเก่าไหมตอนนี้ก็คือเวลาเพ่งก็คือจะรู้สึกว่าแน่นๆก็จะดูตัวไม่ชอบนั่นแหละพอเรารู้ทันนะตอนนี้มันก็คลายออกแล้วแล้วไม่ได้ติดเพ่งนี่ย แล้วมันเบาลงแต่เดี๋ยวอีกสักครู่มันจะขึ้นกลับมาอีกอย่างเงี้ยคมันเคยคมันเคยมันเคยเพ่งแต่พอรู้ทันแนละ้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกนะใจก็จะเป็นผู้รู้ที่สบายๆตอนนี้ก็สบายขึ้นแล้วยังก็ยังไม่ค่อยสบายค่ะจะเอาอะไรล่ะ <c oughs> รู้ตัวไปนะรู้ตัวแล้วก็ดูเขาทางานร่างกายเคลื่อนไหวไ ป, ไปร่างกายหายใจไป เห็นมันทํางานไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูสบายๆดูอย่างเงี้ยดูไปได้ทั้งวันดูอย่างนี้ทั้งวันนะคะนะดูทั้งวันเลยถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปเวลาที่เหลือก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูดูได้ทั้งวันเลยนะหลวงพ่อข้าขอถามอีกนิดหนึ่งคะ่ะแล้วเวลา น, นอนไม่หลับนี่หลวงพ่อแนะนําหน่อยว่าทํำยังไงดีกันให้ดีใ จ, <laughs> ใใจรีบดีใจเลยโอ้มีบุญจะได้ภาวนาทั้งวันเลยทั้งคืนเลย <laughs> แป๊บเดียวหลับเมื่อกิเลนมันกลัวเราภาวนาโต้รุ่งเวลาจะนอนนะหรือเวลาทำสมาธิใช้หลักเดียวกปน่ะเวลาจะนอนหรือจะทำสมาธิต้องผ่อนคลายถ้านอนไม่หลับแล้วเครียดอยากให้หลับเนี่ยจะไม่หลับเลยแต่เออไม่หลับก็ได้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็หลับเวลาที่จะทำสมาธิมันกนะไปเค้นมัน่อให้มันสงบมันไม่สงบ สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้จะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาสงบเองแต่จะทำสมาธิมันต่างกับหลับนิดเดียวเองถ้าจะหลับนั้นทิ้งสติไปเลยถ้าทำสมาธิยังมีสติอยู่ต่างกับหลับนะแต่ต้องสบายทั้งคู่แหละต้องสบายหลวงพ่อไม่เคยเดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับนึกนอนไม่หลับแล้วก็นอนภาวนาปกติมันก็ไม่ค่อยจะหลับอยู่ล้ ใจพอตกกลางคืนเราก็นอนดูกายดูอะไรดูร่างกายมันหายใจดูร่างกายพลิกไปมาใจมันสว่างโปร่งอยู่เฉยๆก็อยู่สบายๆดูมันทํางานไปหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างหลวงพ่อคะแล้วช่วงหลังนี้ค่ะเวลาโกรธที่ทํางานนะคะเวลาโกรธก็คือจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเอง กดไว้หรือว่าเป็นเพ<ข>ราะ<ด>ว่ารู้ <ใจ S 1> ทางเราหรอคะดูที่ใจเราถ้ามันแน่นขึ้นมานะแสดงว่าข่มไว้ไม่ขม่ ม, ขมเราดีขึ้นเยอะแล้วร้อยหสบห้าแต่คนสุดท้ายอยู่ไหนอยู่กลางห้องออหนูมีข้อสงสัยค่ะคือเมื่อกี้หนูนั่งฟังหลวงพ่ออยู่แล้วจิตมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับ มันมีความสุขความสุขแล้วก็เฉยเฉยเฉยเแล้วหนก็สงสยัยสงสัยแล้วก็กลับไปเฉยเยคือมันบ่นกับมันดีเพล่ะค่ะมัน น, ะะม น, นั่นแหละนั่นแหละวนอยู่นะดู <วน S 2> ไปเรื่อยค่ะแต่พอสักพักก็งงอีกค่ะก็คือมันมันกลับโล่งว่างว่างๆอะคะ่ะแล้วก็ไปหลงหลงแบบโมหะเนียนๆนะคะออมันมันเนียนจนแบบเหมือนกับว่าเวลาเป็นโมหะเนี่ยมันจะเหมือนกับเราหลงไปแต่เราไม่สามารถดึงกลับมาได้เรารู้ว่าเรา มันไปอะค่ะแต่ว่าเหมือนสภาวะของร่างกายมันหยุดทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเหมือนตัวเราอยู่เฉยๆอะค่ะแต่รู้ว่าจิตมันหลงแต่ทาอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้แหละดูไปนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความฝันนะคะคือหนูนอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าหนูฝันแต่หนูก็เห็นร่างกายมันหลับหลับอยู่อะค่ะหลับแต่ว่ามันก็ฝันฝันแต่รีเพยเรื่องเรื่องเดิมเรื่องสั้นๆรีเพยรีเพยไปรีเพยมาจนงงว่าเออสติเราดีไง สติเราไวนะเชินนอนเหมือนไม่นอนแล้รู้สึกไมมฝันมันเหมือนความคิดใช่ค่ะเหมือนคิดเหมือนเราไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจําไม่ได้นะคะเรื่องอะไรแต่รู้แต่เรื่องเดิมแล้วก็รีเพย์อยู่อย่างนั้นจนกั้งคืนอะค่ะดูไปเรื่อยดูมันทํางานไปไม่มีอะไรที่บังคับได้ ภานาแล้วนะมันเหมือนคนไม่นอนนะแล้ไม่ได้ติดความว่างใช่ไหมคะว่ารู้สึกว่าจิตมันบางครั้งมันโล่งๆว่างๆอะไรถ้าโล่งๆว่างๆแล้วยินดีพอใจในความโล่งความว่างแล้วไม่รู้ว่ายินดีพอใจก็จะติดถ้าโล่งว่างแล้วยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจไม่ติด มันรู้สึกว่ามันเหมือนมีตรงกลางอะความรู้สึกว่าตรงกลางมันโล่งว่างแต่ว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะรอบๆอะเมันอเราลงไปดูลงไปคิดลงไปมันเห็นทุกตัวแสดงใจรักนะเหลือไอ้นี่อยู่ตัวเดียวเที่ยงเที่ยงอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาตัวเนี้ยเราไปประคองตัวรู้ไว้อ๋อใช่ไหมคะแล้วก็สงสัยว่าทำไมบางครั้งเหมือนกับจิตเขาดูเหมือนรีเพลย์แต่บางครั้งทำไมเขาโล่งๆว่างๆหนูก็งงเออถ้ามันเไปอยู่เราอยู่นิ่งนะทุกอย่างแสดงใจรักเหลือตัวหนึ่งเที่ยง ก็เหมือนก็อยู่ตรงกลางเนี่ยมันนิ่งว่างโล่งแล้วก็เราหลงไปคิดหลงไปดูก็ยังปกติเองแต่ว่าตรงเนี้ยมันหยุดโล่งๆตัวนี้นิ่งเกินไปเป็นติดตัวเนี้ตัวนี้มันติดอยู่ก็คือให้ดูยังไงคะหลวงพ่อรู้ว่ามันติดอยู่รู้ว่ามันติดใช่ไหมเขาเรียกว่าตัวเนื้อตัวรู้เราไปติดตัวรู้อยู่นะถ้าดูเป็นนะตัวรู้เองก็เกิดดับเนี่ยตัวรู้ก็หายกลายเป็นตัวคิดตัวคิดอยู่ชั่วคราวก็หายเกิดเป็นตัวรู้ถ้ามีตัวรู้คงที่แล้วเห็นโลกเคลื่อนไหวตลอดนะ ยังติดอยู่ไม่เป็นปัญญาแทขา้ขอบคุณค่ะเาเชิญกลับบ้าน